สมปรัมปราโภชนะสิกขาบทแปิบถามทรงบัญญัติปาจิตตีเพราะฉันปรัมปราโภชนะณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงเวสาลีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูป รับนิมนต์ไว้ในที่หนึ่งแล้วไปฉันในที่อีกแห่งหนึ่งในปรมประโภชนะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตห6สมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกถินะสมุดฐาน